ข้อควรศึกษายิ่งขึ้นไปเพื่อความเข้าใจหลักกรรมให้ชัดเจนข้อ7กรรมตามสมมตินิยามหรือกรรมในกฎมนุษย์เมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นหมู่คนเป็นชุมชนเป็นสังคมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทําการร่วมกันก็ต้องมีการติดต่อสื่อสารและด้วยความฉลาดของมนุษย์ก็มีการตั้งข้อรู้ร่วม และสร้างเครื่องรู้ร่วมขึ้นมาโดยมีการยอมรับร่วมกันร่วมรู้ร่วมเข้าใจและร่วมกันถือตามปฏิบัติตามข้อรู้ร่วมที่ตกลงกันพร้อมกันยอมรับหรือยอมรับด้วยกันคือมติร่วมสัพ บ, บาลีว่าสมมติหรือที่คนไทยเรียกกันว่าสมมตนินี้เป็นหัวใจเป็นแกนเป็นสาระของสังคม ที่จะให้สังคมดำรงอยู่ดำเนินไปมีความเจริญก้าวหน้างอกงามจนถึงขั้นที่เรียกว่ามีวัฒนธรรมมีอารยธรรมพูดกลับกันว่าอารยธรรมของมนุษย์ก็ตั้งอยู่บนสมมุ ต, รหรมม ต, ตมิหรือสมมตินี่เองข้อตกลงข้อรู้ร่วมหรือสมมติแรกที่สำคัญอย่างยิ่งซึ่งทำให้มนุษย์ติดต่อสื่อสารกันได้ก็คือข้อรู้ร่วม หรือข้อตกลงเพื่อสื่อในการพูดเกิดเป็นถ้อยคำคำพูดจาภาษาเป็นทางหรือสื่อของการตอบโต้แลกเปลี่ยนคือโวหารแล้วก็มีการบัญญัติต่างๆสำหรับเรียกขานบนฐานของสมมตินั้นมนุษย์ผู้ฉลาดมิใช่หยุดแค่นั้นนอกจากข้อร่วมรู้ให้รู้ร่วมกันตามคำพูดจา ว่านี่ชื่อนั้นชื่อนั้นนั่นเรียกว่าอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วอาศัยภาษานั้นเขาก็บัญญัติจัดตั้งข้อตกลงร่วมรู้เพื่อสื่อในการทำวางเป็นข้อร่วมทำสำหรับให้พร้อมกันทำตามร่วมกันทำตามร่วมกันปฏิบัติตามเป็นกติกากลายเป็นนิติคือแบบแผนเครื่องนำการปฏิบัติเกิดเป็นข้อบัญญัติที่เรียกว่าระเบียบข้อบังคับกฎเกณฑ์ ตลอดจนกฎหมายนอกจากบัญญัติจัดวางข้อร่วมทร ร, มร่วมปฏิบัติหรือข้อที่พร้อมกันถือไปปฏิบัติตามแล้วก็มีบัญญตัติต่อไปอีกว่าถ้าใครไม่ปฏิบัติตามเขาจะถูกกระทาโดยสังคมอย่างไรเรียกรบรัฐว่าถูกอำนาจบังคับถูกลงโทษแล้วเพื่อให้บัญญัติมีผลบังคับจริงตามที่ตกลงก็มีการตกลงกันตั้ง หรือยอมรับร่วมกันให้มีบุคคลตลอดจนระบบที่ดูแลกํากับให้การเป็นไปตามบัญญัตินั้นเกิดมีเป็นการปกครองขึ้นโดยในยะนี้เพื่อให้สมมติคือข้อตกลงที่หมายรู้เพื่อพูดจาและเพื่อทำการทั้งหลายอย่างสอดสมลงตัวกันนั้นคงอยู่ได้เป็นไปจริงตามที่ได้ตกลงกันก็ต้องมีการดูแลจัดการรักษาให้คงอยู่และเป็นไปตามนั้น มันเรียกว่าเป็นระเบียบแบบแผนเป็นระบบนี้คือวินัยวินัยก็คือการจัดตั้งสมมติและจัดการให้เป็นไปตามสมมติดังที่ปรากฏเป็นระบบแบบแผนการจัดระเบียบและวางกฎตามสมมติขึ้นมาดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งวางระเบียบชีวิตและวางระบบกิจการก็ตามข้อความบอกกล่าวกำหนดให้รู้ ว่าจัดตั้งวางระเบียบระบบให้เป็นอย่างไรให้ทำอะไรไม่ให้ทำอะไรก็ตามการดูแลบังคับควบคุมกํากับการให้เป็นไปตามระเบียบและระบบที่จัดวางขึ้นนั้นก็ตามจึงรวมอยู่ในคาว่าวินัยซึ่งเท่ากับมีความหมายสามชั้นดังที่กล่าวแล้วว่าสมมติเป็นแกนของสังคมเป็นสาระของความเป็นสังคมและวินัยก็เป็นตัวทาการให้บรรลุความหมายนั้น ทำให้สังคมสมประโยชน์ของสมมติในขั้นพื้นฐานวินัยจึงเป็นฐานรองรับสมมติและเป็นเครื่องดำรงรักษาสังคมลึกลงไปผู้เกี่ยวข้องจะต้องตระหนักถึงความหมายและความมุ่งหมายของวินัยให้ชัดว่าระเบียบและระบบที่จัดตั้งวางขึ้นนั้นมิใช่เป็นเพียงเครื่องมือบังคับควบคุมคนให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยหรือเป็นเพียงการบังคับควบคุมคน ให้เป็นอยู่และประพฤติปฏิบัติดำเนินกิจการตามระเบียบและระบบที่จัดวางขึ้นนั้นแต่แท้ที่จริงวินัยเป็นเครื่องมือสร้างเสริมโอกาสให้คนพัฒนาชีวิตให้ดียิ่งขึ้นโดยทำให้บุคคลที่มาอยู่รวมกันเป็นปัจจัยเกื้อกูลหนุนกันและทำให้สังคมเป็นแหล่งอานวยโอกาสในการพัฒนาชีวิตของแต่ละบุคคลตรงนี้ขอกล่าวไว้โดยรวบรัฐเพียงเท่านี้ขอให้ขยายความเอง ตามหลักที่แสดงไว้ถึงตอนนี้ควรเข้าใจต่อออกไปอีกว่าสมมติที่เป็นสาระของความเป็นสังคมและวินัยที่จัดระบบสมมติให้สมจริงนั้นเพราะเหตุที่มันเป็นเรื่องของมนุษย์เกิดจากคนมีอยู่ในความคิดของคนแท้ที่จริงจึงเป็นสิ่งที่เลื่อนลอยแต่ที่มันกลายเป็นเรื่องจริงไม่เลื่อนลอยก็เพราะ มันโยงไปยังของจริงที่เป็นเนื้อหาสาระและเป็นฐานรองรับมันอีกชั้นหนึ่งของจริงเนื้อหาสาระอันมีจริงที่เป็นฐานรองรับให้แก่สมมติและวินัยนั้นคืออะไรก็คือสิ่งธรรมชาติทั้งหลายที่มีอยู่เป็นไปาตามธรรมดานี้เองซึ่งเรียกสั้นๆคำเดียวว่าธรรมธรรมมีความหมายกว้างขวางครอบคลุมหมายถึง สิ่งธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงบรรดามีบางทีเรียกว่าสภาวะหรือสภาวะธรรมก็ได้หมายถึงระบบระเบียบแห่งความเป็นอยู่เป็นไปที่เป็นธรรมดาของสิ่งเหล่านั้นซึ่งบางทีเรียกว่ากฎธรรมชาติก็ได้สิ่งธรรมชาติที่มีจริงนี่แหละเป็นเนื้อหาสาระของสมมติเป็นที่อ้างอิงและให้ความหมายแก่สมมตินั้นถ้าไม่มีสิ่งธรรมชาติเป็นเนื้อหาสาระที่อ้างอิงแล้ว สมมติก็เลื่อนลอยหมดความหมายเช่นเดียวกันนั่นแหลธรรมดาที่เป็นกฎเป็นระบบระเบียบแห่งความเป็นอยู่เป็นไปของสิ่งธรรมชาติเหล่านั้นหรือการที่สิ่งธรรมชาติเหล่านั้นเป็นองค์ประกอบอยู่ในระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยที่เรียกว่าธรรมในแง่ที่เป็นกฎธรรมชาตินี้ก็เป็นฐานรองรับให้แก่วินัยแห่งสังคมของมนุษย์ถ้าวินัยจัดตั้งวางไว้ ไม่สอดคล้องกับเหตุและผลในความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของธรรมคือธรรมดาหรือกฎธรรมชาตินี้วินัยที่เป็นระบบของสังคมมนุษย์ก็เลื่อนลอยและต้องล้มละลายแท้จริงนั้นสิ่งที่มนุษย์ต้องการก็คือเนื้อตัวจริงที่เป็นของธรรมชาติและความเอื้ออำนวยประโยชน์จากธรรมที่เป็นกฎธรรมชาติแล้วที่ตั้งสมมติและจัดวางวินัยขึ้นมานั้น โดยรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างก็เพื่อให้ได้ประโยชน์ตามความมุ่งหมายนี้ดูง่ายๆแค่ว่าคุณหมอสั่งแกบุตรหญิงหรือบุตรชายของคนไข้ว่ากลับไปอยู่บ้านแล้วทุกวันจัดน้ำบริสุทธิ์จืดสนิทให้คุณพ่อดื่มวันละอย่างน้อยหนึ่งลิตรครึ่งนะเอาเหยือกน้ำใหญ่ๆที่มีขีดบอกปริมาณน้ำด้วยก็จะดีแค่ตามตัวอย่างนี้ ก็มีสมมติที่สื่อไปถึงของจริงในธรรมชาติและวินัยที่จัดระบบให้มนุษย์ได้ประโยชน์ทั้งจากสมมติและจากระบบปัจจัยสัมพันธ์ที่โยงลงไปถึงกฎแห่งธรรมดามากมายยิ่งคนที่เกี่ยวข้องมีปัญญาเข้าถึงธรรมชาติและธรรมดามากเท่าใดก็ยิ่งเห็นจำแรกเข้าไปในระบบสัมพันธ์ที่โยงต่อไปกว้างลึกมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นถ้าเป็นมนุษย์ที่มีปัญญา ทำการได้ความตระหนักรู้มองเห็นความเป็นไปของปัจจัยสัมพันธ์ชัดเจนก็ยิ่งทำการได้สําฤทธิผลอย่างดีถึงตรงนี้ก็มองเห็นได้ว่ามีสองระบบโยงกันอยู่คือหนึ่งระบบของธรรมชาติที่เป็นไปตามธรรมดาหรือตามกฎธรรมชาติมนุษย์จะมีอยู่หรือไม่และจะรู้ถึงมันหรือไม่มันก็มีของมันอยู่อย่างนั้น ก็เป็นของมันอยู่เช่นนั้นระบบนี้เรียกสั้นๆว่าธรรมระบบที่2ระบบของสมมติที่มนุษย์ผู้ฉลาดจัดตั้งวางขึ้นให้เป็นไปโดยสอดคล้องที่จะให้หมู่มนุษย์ที่เรียกว่าสังคมได้สมประโยชน์ของตนจากธรรมชาติและจากกฎธรรมดานั้นเรียกสั้นๆว่าวินยัยเป็นอันว่ามีสองระบบคือธรรม กับวินัยและเห็นได้ชัดว่าระบบสมมติแห่งวินัยของมนุษย์ต้องตั้งอยู่บนฐานของธรรมที่เป็นระบบแห่งธรรมดาของธรรมชาติจึงจะสมจริงและได้ผลแล้วพูดอีกด้านหนึ่งว่าระบบสมมติแห่งวินัยนั้นมนุษย์จัดตั้งขึ้นก็เพื่อให้ตนได้ประโยชน์จากธรรมชาติที่เป็นไปตามธรรมดาในระบบของธรรมนั่นเองพูดสั้นๆว่า วินัยตั้งอยู่บนฐานของธรรมและวินัยก็เพื่อธรรมโดยธรรมเป็นทั้งฐานและเป็นวัตถุประสงค์ของวินัยถ้าพูดในแคบลงและง่ายเข้าก็บอกว่ากฎมนุษย์ต้องอยู่บนฐานของกฎธรรมชาติต้องสอดคล้องกับกฎธรรมชาติจึงจะได้ผลที่ต้องการจากกฎธรรมชาติ